โยมอย่าตื่นเต้นเยอะนักนะพลังงานของความตื่นเต้นมันเยอะไปเราไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตนะ <c oughs> มาฟังธรรมะมาเรียนธรรมะนะสิ่งที่ได้คือความรู้ความเข้าใจถ้าเรารู้เราเข้าใจธรรมะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอย่างปีใหม่ไวพรกันให้มีความสุขส่งความสุขอะไรเนี้ยมันหลอกๆนะมันได้กําลังใจเท่านั้นแหละอย่างรู้สึกเวียงมีภักมีพวกมีคนนึกถึง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 มีความสุขที่ยิงอาศัยของข้างนอกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าพอได้รับความสุขมาแปบเดียวในใจมันจะมีความทุกข์อีกแล้วะใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาอีกความทุกข์มันเป็นความจริงของชีวิตเนี่ยพอมีความสุขก็ได้แวบเดียวความทุกข์ตามมาอีกก็ต้องไปดิ้นรนหาผัสสะหารูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆมาอีกละนี่คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็หาความสุขได้แค่นั้นแหละพวกเรา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 ไม่ต้องจำเพราะความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละคนประพฤติผิดในการมนะต้องหลบซ่อนต้องหลีกเล้นนใจคอไม่สบายเนี่ยแต่คนซึ่งไม่ประพฤติผิดในการมคนไม่ประพฤตินในการมสบายกว่านคนใจกินเหล้ากินยาติดยาเสพติดไม่สบายนต้องหาเงินหาทองไปซื้อมากินบางอย่างก็มีโทษมากนะ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 เออดูมาตั้งนานแล้วไม่หายสติเนี่ยสงสัยพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงละเนี่จิตใจอย่างนี้ไม่มีสติตัวจริงนะก็ไม่มีความสุขถ้ามีสติตัวจริงแล้วใจแค่ใจลอยไปนะใจลอยแว้บไปมีสติะระลึกได้ว่าใจลอยแล้วเนี่ยขนาดนั้นนะความสุขจะเกิดขึ้นเองเลยจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาใ น, ในใจเรานะความสุขจะผุดขึ้นมานี่ไม่เสียเงินเสียทองเลยไม่ได้อิงอาศัยใครไม่ต้องพึ่งใครเลยนะ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 อย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้นี่เห็นได้ง่ายนะจิตใจก็เป็นของโลกนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะเราสลัดทิ้งสลัดคืนไปไม่ยึดถือคุณมารีจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยไปนะนะพอสลัดทิ้งไปแล้วนะจิตใจมันจะปลดปลงล่งเบาเนะมื่อเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชือ่อว่านิพพานไะมนะ่ความสุขมีตั้งแต่ความสุข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 มาจากที่อื่นเต็มประดามาล้อาจารย์ไม่เอาแล้วอะไรเนี้ยนะเสกสไล่ส่งมางั้นถ้าเราจเจริญสติจริงๆรับรองไม่บ้านะใจจะรู้สึกตัวจะมีความสุขอยู่ทั้งวันนะยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขใจถึงสุดท้ายนะั้นมันมีแต่ความสุขถาวร น, นี่บางคนเข้าใจว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายเริ่มต้นก็สอนให้รู้ทุกข์ใช่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 จะฟังเทศต้องฟังให้ได้อัธรสฟังให้ได้ครบนะอฟังให้ได้ครบมีทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนทะมีทั้งสมถามีทั้งวิปัสนานะี่ยฟังทีเดียวฟังให้ครบนะในเวลาสั้นๆ น, นะจริงง่ายนิดเดียว <c oughs> ง่ายนะใคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะบางคนเริ่มคร่ําครวญว่ายากนะให้รู้ว่าคร่ําครวนนะใครรู้สึกไปไม่เห็นจะมีอะไร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 ว่าท่านจะเทศอะไรของท่านไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะที่แท้จริงท่านเล่าให้ฟังนะเล่าถึงผลให้ฟังนะในความเป็นจริงแล้วก็คือสุญญาตาหรือนิพานนะั้นมันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หมดละเต็มบริบูรณ์ไม่เคยบกพร่องไม่เคยหายไปไหนไนมะ่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่เคยหายไปไหนมีอยูนะ่จิตที่เข้าไปสัมผัสมันสัมผัสนิพานสัมผัสสุญญาตาทนี้จะมีแต่ความสุขล้วน เราจะสัมผัสได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วเทศได้ขนาดนี้ก็พอนะฟังมากไปก็เวียนหัวหลายคนเริ่มงง ง, งละฟังไปก่อนนะอีกสิบปียี่สบปีข้างหน้าจะอ๋อนะอ๋อถ้ายี่สิบปียังไม่อ๋อนะก็สามสิบปีนะชาตินี้ไม่ อ, อ๋อชาติหน้าเอาให้ อ, อนะ๋อนะการภาวนามไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยอย่าถอย ไม่ต้องรีบร้อนนะเดินไปวันละเก้าสอก้านะไม่รีบร้อนแต่อย่าอยู่นิ่งอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญกายอยู่นิ่งนะท่านบอกคุณงามความดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องรีบร้อนพัฒนาถ้ารีบร้อนพัฒนานะล้มเหลวเลยมันทำได้โลภะแล้วด้วยความอยากค่อยรู้กายค่อยรู้ใจรู้มันเล่นๆรู้มันไปทุกวันนะอย่าหยุดนะ่อย่างนี้มันจะพัฒนาของมันเองแล้ววันหนึ่งจะอ๋ออ๋ อ, อนะหลายคนฟังหลวงพ่อพูดทีแรกนั้นะงงไปหมดนะ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 ขอบคุณค่ะกลับกราบพระอาจารย์ครับคราวที่แล้วไปส่งการบ้านพระอาจารย์ที่สวนสันตธรมรมพระอาจารย์ บ, บอกประคองค่อนข้างจะเยอะตอนนี้รู้สึกว่าประคองน้อยลงไม่ทราบว่าจะถูกต้องไมครัถูกนะแต่ยังประคองอยู่แต่ลดลงละลดลงฮะเริ่มลดลงรู้สึกว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวนต่างๆเนี่ยมันไม่สืบเนื่องกันเหมือนเดิมอืมันรู้สึกเป็นม่เนเกิดแล้วขาดวับเกิดขาดวับวับวับนะแต่ถ้าเรา เพ่งไว้เราประกองไว้มันจะนิ่งเหมือนคงที่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่มีตจรักษณให้ดูถ้าไม่มีตจรักษณ์ให้ดูปัญญาไม่เกิดะดีแล้วล่ะขอบคุณครับผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยเพ่งเพ่งทางนั้นแหละทำไมต้องไปเพ่งพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิคีดว่าต้องนิ่งนิ่งไว้ก่อนแล้วจะดีกลับนามัสการอยู่ไหนมาข้ามไป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 แต่ถ้าสติปัญญามันว่องไวขึ้นมันจะเห็นพอมีสภาวะเกิดขึ้นจิตมันให้ค่ามันจะยินดีขึ้นมามันจะยินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายนั้ น, นลําพังรู้แต่ตัวสภาวะแล้วก็จะไปไหลจ้องอยู่ที่สภาวะนานๆไปก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นสมถะอีกเพราะนั้นเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นมาให้รู้ทั น, นถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงาจิตมันใช้ได้ ส่วนที่เพื่อนถามว่าสติตัวจริงเป็นยังไงต้องมาเรียนเองนะเหมือนมาถามหลวงพ่อว่าแอปเปิลรสชาติเป็นยังไงใครจะไปบอกได้เราต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่ต้องนะขยันไหน่อก็ได้แล้วก็อย่าจงใจแรงนะพอคิดถึงปฏิบัติก็ตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่างนี้นะพอไม่เอาจริงเอาจังก็ปล่อยๆไปเลยะมันจะหลงไปสองข้างสองอันนี้ไม่เอาขอบคุณมากครับ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 ใจมันค่อยแยกออกมาเป็นคนดูก็อย่าไปจงใจบังคับถ้ามันหนักๆก็รู้ว่าหนักหนักแล้วไม่ชอบเห็นไหมหนักก็ยินร้ายรู้ว่ายินร้ายอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียให้รู้สภาวะก่อนเกิดความหนักคือสภาวะะจิตเกิดความยินร้ายให้รู้ว่ายินร้ายะใช้ได้แล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะขยันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ร้องอ๋ออๆนะเมื่อก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นนักคิด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 จะรู้สึกว่าเผลอบ่อยอะครับเผล อ, อไปนานนะครับก็เลยกลับมาดูกายอะครับคือให้รู้สึกว่านั่งอยู่อืยืนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเห็นว่าเออมีการเผลอไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่ปฏิบัติถูกต้องแล้วเราเอา ก, กายเป็นวิหารธรรมอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้ ย, ยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้อยู่ถ้าใจหนีไปคิดเราก็รู้เอาใจไปเพ่งร่างกายก็รู้เอาที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้ละ ไม่ไม่ทราบว่าเพ่งไปหรือเปล่าอะครับตอนนี้ไม่ใช้ได้า <นะ S 2> ครับแต่อยากขยันนะหมายถึงอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่งถ้ารู้เล่นเล่นรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่เพ่งอ่ะแล้วมันการที่จะรู้ว่าใจเราเป็นทุกข์นี่คือทุกข์มันคือทุกข์ขังหรือความรู้สึกทุกข์ครับที่ดูได้ตอนนี้คือเห็นแต่ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขเมตโธมนัดเวทนาความรู้สึกทุกขทางใจนะ เรายังไม่เห็นทุกครั้งหรอกครับแล้วต้องมีแก้ไข ย, ยังไงไหมไม่แก้นะถ้าทําวิปัสสนาไม่มีคําว่าต้องอยังไงแก่ยังไงห้ามอะไรไม่มีมีแต่คําว่ารู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ได้ใจที่เป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางคือยินดียินไล่ขึ้นมาให้รู้ทันมีเท่านั้นเองฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะหลวงพ่อต้องชมหน่อยหลวงพ่อมาเทศที่นี่ปีกว่าๆนะคนที่มาฟัง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 อยากให้หลวงพ่อ อ, อส่งกันบ้า น, นให้หลวงพ่อส่งกัน<ห>บ้านใ ห, <ล>ให้กันบ้านนะคะไปหัดดูบ่อยๆเนาะดูเรื่อยๆอะไรแปลกปลอมขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้ <c oughs> เล่นๆรู้ด้วยความเป็นกลางต่อไปนี้สังเกตดูเมื่อสภาวะเกิดแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันแต่อย่าไปนค้นหานะว่ายินดียินร้ายหรือเปล่า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 ค่ะอยากถามเรื่องการปฏิบัติทำสมถะนะคะการที่โยมนั่งทําสมถะนะคะแล้วก็มีแสงขึ้นระลิบระยะที่ที่ดวงตาแล้วก็มาเพ่งดูที่กายค่ะเอ อ, อันนี้จะเป็นการดูกายหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นการเพ่งกายค่ะคือสมถะนะก็ทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งวิปัสสนาทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งสมถะทําทไปเพื่อให้จิตสุขจิตสงบจิตดี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 กราบมสรสการหลวงพ่อค่ะไหนไหนยกมือไหนอยู่ไหนพอดีเพิ่งพอดีเพิ่งปฏิบัติไหนโปรมาให้หลวงพ่อเห็นหน่อยเออชันเข่าขึ้นมาเลยเท่ๆหน่อยเอออย่างนี้นพอดีเพิ่งปฏิบัติอะค่ะอยากจะทราบว่าต้องปฏิบัติยังไงถึงจะตรงกับจริตอะะของคุณเป็นคนคิดมากนะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ดูจิตไปจะไปทําความสงบมันไม่ลงง่ายๆหรอกใจมันจะฟุ้งซ่าน ง, ง่าย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 ลูกเป็นต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกที่นี่มาประมาณปีหนึ่งอะคะ่ะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองใช่หลวงพ่อก็เห็นค่ะค่ะลูกปิติมากตอนนี้แล้วก็เคยคิดอยากจะส่งกันบ้านหลายครั้งแต่ว่าความตื่นเต้นมีมากมกา็ลูกเนี่ยเมื่อวานเนี้ยคะ่ะสารภาพลูกไปฟังธรรมไม้ของสำนักนึงอะะแล้วก็ ลูกอาเจียนออกมาค่ะแล้วก็ไม cam ่สบายแต่พอมาเช้าเนี่ยลูกมาที่นี่ลูกมีปิติและจิตใจคือรู้รู้ตัวว่าเราปิติมากนะะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคือสบายแล้วก็เลยอยากจะกราบเรียนส่งกันบ้านหลวงพ่อใช้ได้แล้หน้าต้นไม้นี้งอกงามแล้วดีรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิม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 ลดความตั้งใจลดความอยากปฏิบัติลงแล้วก็ขยันดูกายขยันดูใจไปเลยคุณผู้หญิงใส่แว่นตาเสื้อเหลืองภาวนาใช้ได้นอะอันรู้ไปไงั้นแหละดีแล้ว<ต>คนอื่นเลยใจดีไปอยู่กับเขามหมดเลยเออแต่ปฏิบัติใช้ได้ไหมคะอะอย่าจงใจแรงไปขอบคุณมากวันนี้ทุศีนก็ดีกลับ น, นริศกาหลุมพ่อเจ้าค่ะไหนไหนไหนอ๋อ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 ใช่ไหมถึงจ uh ุดหนึ่งก็ไม่เที nice> ่ยงเหมือนกันเราั Dominican> ้นไม่ว่าจะเป็นยังไงนะก็มีสภาวะให้รู้เท่านั้นแหละเว้นแต่เราไม่คิดว่านั้นเป็นสภาวะเดี่ยวพอว่างๆเราคิดว่าไม่มีอะไรให้ดูอ๋อค่ะอ๋อล้วใช้ได้ละอะกลับนามาตการนะคะคืออยากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะคือในชีวิตประจําวันเนี่ยปกติคือจะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสวดมนต์ไหวพระนะคะเพราะว่าพอดีมีลูกยังเล็กอยู่ ก็เลยใช้วิธีรู้ตามรู้รู้กายรู้ใจไปก็เลยสงสัยอยู่ว่าถ้าจะใช้วิธีในการ เ, ออเพ่ง ค, ค, ค่ว่าเพ่งกายเนี่ยแทนการทำสมถะนี่จะได้ไหมคะเพ่งกายก็เป็นสมถะนะ<อ>แต่ว่ายังไม่ต้องเพ่งหรอกนะเลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูใจของเราไปลูกเราแต่ละวันแต่ละเวลาน่ารักน่าเกลียดไม่เท่ากันอ๋อค่ ะ, <น>ะอันนี้น <ะ S 1> ดูแล้วเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่าน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 พระคุณพระอาจารย์มากค่ะสังเกตไหมเวลาเรารู้ตอนนี้ใจเรารู้อยู่นอกๆขนาดนี้ยรู้สึกไหมอาเซนคุณแม่ไปยาวเมื่อก่อนท่านเป็นอธิการบดีสวนสุนันทากราบกราบน้องกันหลวงพ่อคะอ่ะวันนี้คิดก่อนมาว่าเป็นวันเดือนสิ้นปีแล้วพระอาจารย์พงแจกทบทวนที่สอนมาว่า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 เพันค่อยฝึกเอาแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่ออยู่กับโลกก็นานนะกว่าจะได้บวชอายุตั้งสี่สิบแปดความสุขอย่างโลกโรครู้จักอย่างดีเลยแต่รู้เลยว่ามันเป็นความสุขแบบหลอกๆความสุขของโลกโรคนะมันก็สุขเหมือนกันนะมันสุขช่วครั้งช่วคราวปรเดี๋ยวความทุกขมันก็ตามมาอีกแล้วถ้าเราทํางานหลักในชีวิตเราเสร็จเนี่ย น, นะโอ้โหเราจะมีความสุขที่แท้จริง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 ลูกมันอารมณ์ดีเราดีใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนยลูกมันตื้อแล้วโมโหรู้ว่าโมโหเห็นไหมมันไม่ได้เบียดบังเวลาของเราเวลาเราทํางานที่ต้องคิดอันนี้รู้กายรู้ใจไม่ได้แต่พอทางานไปช่วงหนึ่งมันเครียดให้รู้ว่าเครียดทำงานแล้วอยากให้งานดีรู้ว่าอยากทำงานแล้วก็งานเราก็ว่าดีแล้วแต่คนอื่นเขาว่าไม่ดีเราเสียใจรู้ว่าเสียใจเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกไป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 เวลาจะเดินทางในสังสารวัตรเส้นทางนี้ยาวไกลบางคนไม่จบในชาตินี้นะก็ได้อาศัยต่อไปข้างหน้าอาศัยบุญอาศัยอะไรของเรานี่เองนะดีละอนุโมทนาปีใหม่นะปีใหม่ปีใหม่ทาตัวใหม่นะใหม่ตลอดเวลาใหม่เป็นขณนะขณะไปนะถ้าปีใหม่แค่กินเลี้ยงมันก็เหมือนเหมือนกันแหละเหมือนเดิมคือแย่ๆเหมือนเดิม